สุดท้ายของการข้อพรรษาชาวบ้านก็เรียกว่าวันออกพรรษาแต่ว่าชาววัดนะโดยเฉพาะในหมู่พระเนี่ยวันนี้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะชื่อว่าวันมหาปวารณาคําว่าปวารณาเนี่ยชาววัดก็คุ้นเคยดีนะแต่จะรู้จักความหมายเฉพาะแน่ปวารณาเนี่ยความหมายก็ยคือ ยอมให้ขออันนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ปรารณาคือคารุหัดคือญาติโยมปรารณากับพระยอมไม่ขอได้นะไม่เป็นเรื่องของการก่อสร้างเสนาส น, นะเรื่องของอาหารการขบฉันหรือว่าการเดินทางอันนี้คาราะจำนวนมากก็รู้ดีอีกความหมายนึงก็คือ แปลว่ายอมให้ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ปวารณนาคือพระสงฆ์นะ ย, ยอมให้หมู่คณะตักเตือนว่ากล่าวแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระสงฆ์ทั่วประเทศเลยนะทำพิธีปรราณนา ปกติวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยไม่ว่าขึ้นหรือแรมเนี่ยก็จะเป็นวันที่พระมาประชุมเพื่อทบทวนปฏิโมกปฏิโมก ค, คือสิกขาบทหรือว่าระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ซึ่งมี227ข้อ ทุกปักนี้ก็จะมาประชุมกันฟังพระสวดปฏิโมกเพื่อจะได้ระลึกหรือจำได้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะที่จะต้องใส่ใจในฐานะที่เป็นพระแต่เฉพาะวันนี้ ห5าสิาเดือน11เนี่ยพิเศษก็คือว่าไม่มีการสวดปฏิโมกข์แต่ว่ามีพิธีปรบาลณนาแทนซึ่งจุดหมายคือเพื่อให้ประสงค์เนี่ยนะได้บอกกล่าวกับบูคณะว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ทุกท่านนะ ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของประเพณีหรือธรรมเนียมนะแต่เป็นการตอกย้ำให้พระสงฆ์ได้ตระหนักว่าในการที่จะมีชื่อชื่อเจริญงอกงามในทางธรรมหรือว่ามีความผาสุกในชื่อพรหมจรรย์จะต้อง มีจิตใจที่พร้อมยอมรับคำว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่ า, าพระภิกษุตแต่ละรูปเนี่ยนะมาบวชก็เพื่อจุดหมายสำคัญคือการฝึกฝนตนพัฒนาตนซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกหัดขัดเกลาการที่จะทำเช่นนี้ได้เนี่ยข้อแรกคือต้องรู้จักเตือนตนนะ พุทธารยตัดว่านเนี่ยบุคคลนะพึงเตือนตนด้วยตนเองอันที่เป็นพุทธภาเศที่หลายคนจะจําได้นะจงเตือนตนด้วยตนเองเตือนตนนี่ก็รวมถึงทักท้วงแล้วก็รวมไปถึงวิพาควิจารณ์เพรบางครั้งกิเลสมันก็ครอมงำํำทำให้เผลอทําสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องรู้จักเตือน เตือนทั้งการกระทำคำพูดแล้วก็จิตใจถ้าคนรานี้ไม่รู้จักเตือนตนนี่มันก็ยากนะทีจะ่จะเจริญก้าวหน้านในทางธรรมหรือว่ามีชื่อที่ผาสุกได้แม้จะมั่งมีร่ำรวยแต่ถ้าไม่รู้จักเตือนตนแล้วก็สิ่งที่มีนั้นก็จะฉุดให้ลงไปในทางต่าหรือทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ แต่คนเราเนี่ยเตือนตนอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าบางทีก็หลงลืมบางทีก็ประมาทบางทีก็มองไม่ถี่ท่วนบางทีก็แก้ต่างให้กับตัวเองเด้ยวยหน้าของกิเลสเพราะนั้นเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาเตือนเพราะว่าคนอื่นโดยพ่อผู้ที่เป็นกาลยามิตรเนี่ยก็ นอกจากมีความปรารถนาดีแล้วก็ยังเห็นเราในบางแง่มุมนะที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้การยาณมิตรเนี่ยก็มีความสําคัญนะต่อชีวิตเราเยอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยการยนานนิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะอันนี้พระเจ้าตรัสกับพระอานนท์พระอานนท์เคยกล่าวว่าเนี่ยการยนานนิตรเป็นครึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ กเระยะนนมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์หมายความว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะที่จะช่วยทําให้ความเจริญ ง, งอกงามในทางธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักอริยมรรค8น ะ, จะเจริญก้าวหน้าได้เอ็นไกลนามิตรเนี่ยนอกจากจะทําหน้าที่ให้คาแนะนําหรือสั่งสอนอย่างที่ผู้เจ้าเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างก็ยังช่วยให้กําลังใจ ให้มีความเพียรต่อเนื่องไม่ให้ท้อแท้ท้อถอยและที่สำคัญคือว่าต้องรู้จักว่ากล่าวตักเตือนหรือทักทวงถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยการฝึกฝนหรือการพัฒนาตนเนี่ยของแต่ละคนก็เป็นไปได้ยากและประเด็นนี้น่นะจึง จำเป็นที่พระเราเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอย่างหนึ่งนะก็คือยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้อันนี้เราเป็นคุณธรรมเลยทีเดียวและการที่มีคุณธรรมข้อนี้หรือเห็นความสำคัญของคุณธรรมข้อนี้พุเจ้าก็เลยนะกำหนดนะให้ วันสุดท้ายของการเข้าบรรษาเนี่ยเป็นวันทําพิธีเป่าปรารนาแต่วจะว่าไปแล้วเนี่ยการเป่าปรน า, าอย่างนี้เนี่ยผู้ที่เป็นต้นแบบหรือได้เริ่มก็ไม่ใช่ใครนะก็คือพระพุทธองค์นั่นเองอ่างมีกล่าวว่าเนี่ยเมื่อถึงวั น, นประชุมสงฆ์ คราวนึงเนี่ยที่เชตวันเ น, นี่ยที่บุภารามเนี่ยบุภารามก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีเมื่อมีการประชุมสงกันโดยมีผู้จาเป็นประธานแทนที่พระองค์จะให้สวดปฏิโมกหรือทบทวนบัญญัติตามพระวิ น, นัยพระองค์กับกล่าวกับหมสงว่าเนี่ยพรองค์ขอปรณนากับโมสงยินยอมให้ ว่ากล่าวตักเตือนได้อเปิดโอกาสเลยนะให้หมูรงเนี่ยซึ่งมีถึง500รูปเนี่ยได้ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้ขนาดพระองค์เนี่ยเป็นพระบรมศาสดาแล้วก็เป็นอ่าเป็นอาจารย์ของพระทุกรูปเลยแต่พระองค์ก็ยินยอมให้ลูกศิษย์เนี่ยภาษาวกเนี่ยว่ากล่าวตักเตือน แต่ก็ไม่มีผูดด้ใดว่ากล่าวตักเตือนนะเพราะว่ามองไม่เห็นข้อผิดพลาคของพระองค์แต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นนะของเอ่อจะเรียกว่าธรรมเนียมก็ได้คือการทำพิธีปราราในวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาพิธีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ ระแต่ละรูปก็กล่าวกับมูสงนะ์พูดเป็นภาษาบาลีแแปลเป็นไทยว่าเขาพเจ้าขอปรณนากรรมู่สงนะ์ถ้าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือระแวงสงสัยก็ดีขอให้ว่ากล่าวแก่ข้าพเจ้าด้วยความหวังดีหรือความเอ็นดูหรือด้วยความเมตตาเมื่อข้าพเจ้าเห็นก็จักแก้ไขแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สม การที่คนเราเนี่ยจะยอมให้มีการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งไม่ได้จํากัดนะผู้ที่ตักเตือนเนี่ยจะเป็นใครก็ได้จะเป็นพระที่พรรษาน้อยก็ได้จะเป็นลูกศิษย์ในวัดก็ได้ไม่ใช่ว่า จำเ พ, พาะพระผู้ใหญ่จึงจะว่ากลา่าวตักเตือนพระผู้น้อยจำเพาะเจ้าว่าจึงจะตักเตือนพระลูกวัดได้การว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยนะมันไม่ควรจะจำกัดว่าจะต้องกระทำระหว่างพระผู้ใหญ่กับพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็ทำกับพระผู้ใหญ่ได้พระพรรษาน้อยก็ทำกับพระที่เป็นพันเตได้พระลูกวัดก็ทากับ พระที่เป็นเจ้าวาดดาเพระจุดหมายสำคัญคือเพื่อส่งเสริมใ้กการฝึกตนครนนี้เนี่ยทรากว่าเราจะไม่ให้มันเป็นเพียงแค่ทำเนียมหรือพิธีกรรมเนี่ยเลยต้องมีอะไรบ้างนะจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ 2. เมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนก็รักษาใจให้ปกติคือไม่โกรธและสมเมื่อแต่ละฟังแล้วก็นำไปพิจารณาแล้วก็ถ้าเขาพูดถูกก็นำไปปรปับปรุงแก้ไขการปารนามันจะได้ผลเนี่ยมันก็ต้องมี3อย่างนี้แหละนะยอมให้ว่ากล่าวยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งพูด ไม่บายเบียงไม่ปิดกัน้นสองเมื่อได้ยินแล้วไม่โกรธนะไม่โมโ oh หไม่อาคตาิสามพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขอันนี้มันจึงจะเป็นนะการปารนนาที่แท้จริงนะไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรรมอันนี้จะทำเช่นนี้ได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยคุณธรรม นะหลายอย่างนะหรือเหตุปัจจัยหลายอย่างนะเช่นประการแรกเนี่ยจะต้องเห็นคุณค่าของการฝึกตนเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเห็นคุณค่าของการขัดเกลานะนะกายวาจาและใจของตนถ้าไม่เห็นคุณค่าเนี่ยนะมันก็ไม่อยากจะฟังนะคำว่าการตักเตือน ปิดกั้นคนที่จะยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาทักทวงเนี่ยจะต้องมีตรงนี้เป็นพื้นฐานนะคือเห็นคุณค่าของการฝึกตนนะแล้วก็รู้ว่าแค่การเตือนตนอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยเตือนด้วยนะช่วยทักทวงด้วย แล้ประกันที่2เน well, <us> ี่ยก็คือว่าจะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัวอัตตานะอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะหรือพูดอย่ก็คือว่าไม่ถูกครอบงำด้วยมานทิธิเพราะคนเราเนี่ยถ้าว่ามีมานทิธิแน่นนาเนี่ยหรือที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเนี่ยมีอัตตาหนาแน่นเนี่ย ก็ไม่อยากฟังคำวิจารณ์นะหรือถ้าฟังแล้วได้ยินแล้วเนี่ยก็เกิดความโมโหนะเพราะว่าตัวตาหรือมาณทิฐิเนี่ยนะมันก็มีความปรารถนานะที่จะแสดงตัวว่าเนี่ยฉันเก่งฉันแน้ฉันดีฉันประเสริฐยิ่งเป็นพระยิ่งเป็นพันเตหรือมีพรรษา ม, มาก หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นเจ้าวา่ามันก็ยังมีความหลงตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยอมให้คนอื่นโดยเฉพาะผู้พันษาน้อยหรือลูกวัดนะมาว่าการตักเตือนนี่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยให้มานาทัทิติข้องงำใจเนี่ย ก็พร้อมจะฟังนะแต่ฟังแล้วนี่จะต้องมีประการหนึ่งนะคือว่ารู้จักอดกลั้นนะต่ออารมณ์เพราะว่าบางทีอย่างที่บอกนะพร้อมจะฟังแต่พอฟังแล้วเนี่ยโกรธอาคนแล้วนี่บางทีมันก็มีความขยาดในตัวนะบอกมาเลยว่าฉันผิดพลาดยังไงพูดมาเลยนะแต่พอได้ยินแล้วนี่ก็โกรธโมโห ก็เหมือนกับคนที่ไปตรวจสุขภาพนะและไปฟังผลเนี่ย mm hmm. ก็ผูกกมว่าน้หมอบอกมาเลยนะฉันเป็นอะไรฉันพร้อมนะบอกมาเลยฉันเป็นอะไรพอ บ, บอก่าคุณเป็นมะเร็งแค่เนี้ยุดเลยคือว่าใจหนึ่งก็อยากจะรู้แต่ใจหนึ่งก็ยอมรับไม่ได้ก็ยังมีความยึดติดนะ หนานแน่นในตัวตนจนกลัวตายหลายคนก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเนี่ยฉันยอมฉันพร้อมที่จะฟังคำทักท้วงไม่ยอมให้มานาัทิฏฐิมาครอบงำใจแต่พอได้ยินแล้วเนี่ยก็โกรธแต่ทำไงจะไม่โกรธนะก็ต้องมีความรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดกลั้นต่ออารมณ์ที่สำมันคือมีสติพอเห็นความไม่พอใจคุณัวเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันเราไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจไม่ปล่อยให้มันบงการการกระทําและคำพูดและด้วยการต่อว่าตอบโต้เนี่ยอันนี้นอกจากปัจจัยที่ว่าแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะ น้อมรับคำวิจารณ์ได้ด้วยดีเนี่ยก็ต่อเมื่อนะเห็นประโยชน์ของคำว่ากล่าวตักเตือนหรือแม้กรทา่งคำดุดา่านะซึ่งในทางพระก็ถือว่าเป็นอันทิฐารมอันทิฐารมคือรู้รส ก, ก, กินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบนะมันไม่ถูกใจพยายามบายเบียงหิีกเลี่ยงหรือถ้าเจอก็มีการ ตอบโต้กลับไปแต่ว่าคนที่จะยอมรับคำว่ากาตักเตือนได้เนี่ยแม้มันจะเป็นมันจะจะไม่ได้ถ้อยคาที่ไม่ถูกใจแต่ยอมรับได้เพราะเห็นประโยชน์อันนี้เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากอ น, นิฐารลมหรือเห็นประโยชน์ของคำว่ากาวตักเตือน ซึ่งีจริงอันนี้มันก็เป็นควรจะเป็นหลักอยู่แล้วนะของชาวพุทธเนี่ยโดยาพระสงฆ์เนี่ยอย่างที่ผู้เจ้าเคยตักเตือนพระสาวกเน่ยโดยว่าพระอานนท์เนี่ยว่าเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะมองผู้ที่ชี้โทษว่าเป็นเสมือนผู้ชี้คุมทรัพย์แล้วคนที่มองแบบนี้เนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวนะไม่มีความเสื่อม งัถ้าเราเราจะน้อมรับควมวิจารณ์ได้เราต้องเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือรู้จักหาประโยชน์จากมันแม้มันจะเป็นคำพูดที่ไม่สวยหรูแม้มจะเป็นถ้อยคำที่กระแทกใจหรือกระแทกอัตตานะแต่ว่าเห็นประโยชน์ของมันเพราะเห็นว่าเนี่ยมันสามารถจะช่วยทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดหรือถึงแม้จะไม่ช่วยทาให้เห็นข้อผิดพลาดแต่นั้นก็มาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกสติ ดรือล้ก็ฝึกขันติได้อันนี้ก็เรียกเป็นประโยชน์ของอ น, นิถารมนะอาที่คนเราควรจะมีผมทั้งมองว่าเนี่ย เ, ออเขามาชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะแล้วขณะเดยกันเนี่ยนอกจากคุณธรรมที่ว่ามาแล้วเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการที่เราตระหนักเห็นความจริงว่าเนี่ยไอ้คำต่อว่าดะท่อนะเดีย๋ยวว่า เราพูดถึงคําว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยแม้กระทั่งคำต่อว่าด่าทอเนี่ยอันนี้เป็นธรรมดาของโลกนะที่พระเรียกว่าโลกธรรมคนเราเนี่ยก็ต้องรู้จักเท่าทันโลกธรรมแล้วก็ยกจิตให้อยู่เหนือโลกธรรมให้ได้ไม่ว่าโลกธรรมไฟบวกหรือไฟลบเวลาเขาสารเสวนก็ไม่ได้ปรับปืึมดีใจเพราะฉะนั้นเวลาเขาดุด่าว่ากล่าวก็ไม่โกรธแค้นหรือ เสียอเสียใจสามารถรักษาใจปกติได้จะทำเช่นนี้ได้เนี่ยก็ต้องนะมีปัญญาเห็นว่าเนี่ยนี่คือธรรมดาของโลกธรรมนะที่เราไม่ควรจะข้องแวะหรือข้องติดด้วยหรือเห็นว่าเนี่ยไม่ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นคนนินทาอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าแม้ยิงอยู่ก็ยังถูกนินทานะแม้พูดมากก็ยังถูกนินทา แม้พูดเพียงพอประมาณก็ยังถูกนินทานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเจอคำว่ากล่าวอาจจะไม่ใช่แค่ว่ากล่าวตักเตือนแต่เป็นคำดุด่าว่ากล่าวอาจจะเพราะประสงค์ร้ายหรือเพราะว่ามีอคติแต่ใจก็รักษาไว้ให้ปกให้เป็นปกติได้นะเพราะเห็นมันเป็นธรรมดาของโลกธรรมทั้งสีหประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมีนะ เพื่อที่เราจะสามารถน้อมรับคำวิจารณ์ได้อันได้แก่น ะ, ะเห็นคุณข้าขงการฝึกตนเห็นคุณค่าของการฝึกฝนขัดเกลาตนแล้วก็ไม่ยอมให้มาณทิจิครอบงำใจรู้จักอดกลั้นต่ออารมณ์มีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อมีคำว่ากล่าวตักเตือนมากระทบผู้ แล้วก็รู้จักหาประโยชน์จากคำว่ากล่าวตักเตือนซึ่งเป็นอนิฐารม์รวมทั้งเห็นว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะของโลกธรรมหรือธรรมที่เป็นประจำโลกนั้นถ้าเรามีคุณธรรมที่ว่าเนี่ยหรือมีหลักนะที่ว่าเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทาให้เราสามารถจะน้อมรับคําวิจารณ์ได้ หรือคำว่ากล่าวตักเตือนได้แม้แตงคำดูด่า ว, ว่ากล่าวหรือว่าคำต่อว่าด่าทอเนี่ยก็สามารถที่จะรับฟังได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์นะด้วยใจที่เป็นปกติอานะจารย์จันไดเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักนะในหมู่คนที่ต้องการคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนที่เขายังหนุ่มนะ เ้าก็ไปทำงานในกรุงเทพไปเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงแรมหัวหน้าของโจนเนี่ยเป็นแม่บ้านซึ่งโจบอกว่าเนี่ยไม่เคยเจอเลยคนแบบนี้เพราะว่าด่าอย่างเดียวเลยแต่โจก็ทนนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่บ้านก็ให้โจนเนี่ยไปขัดลูกบิดประตูห้องพักโรงแรมก็ยืนคุมเนี่ยนะ ให้บรัสโซไปขวดหนึ่งไปไปขัดตอนที่ขัดอยู่เนี่ยก็มีผู้จัดการเดินผ่านมาผู้จัดการเห็นก็ต่อว่าโจรเลยว่าขัดได้ยังไงเนี่ยบรัสัโซเนี่ยกับลูกบิตทองเหลืองแบบนี้ลูกบิตโลหะแบบนี้มันขัดไม่ได้แม่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งโจรให้ทำนะแล้วก็ยืนคุมอยู่ก็ซ้ำเลยแล้วเนี่ยเธอทำนี่ได้ยังไงเนี่ยทาไม่ได้ เมืโจรเนี่ยแทนที่จะโกรธหรือแทนที่จะโต้เถียงเนี่ยเกิดได้สติขึ้นมาแล้วเขาก็ยิ้มนะแล้วก็พนมมือไหว้แล้วก็บอกขอโทษครับแล้วก็ขอบคุณครับโจนว่าเนี่ยนั่นคือจุดเปลี่ยนในชื่นเขาเลยนะเพราะนับแต่นั้นมาในเวลาใครว่าเขาเนี่ยเขาก็จะยิ้มแต่เฉพาะตัวแม่บ้านที่ท่าว่าเขาเนี่ยนะเขาก็จะยิ้มแล้วก็พนมมือแล้วก็บอกขอบคุณครับ จนเป็นที่รู้กันนะในโรงแรมพนักงานโรงแรมหลายคนก็บอกว่าเนี่ย้โจนี่มันฟั่นเฟือนบ้าหรือเปล่านะเขาด่าเนี่ยกับขอบคุณเขาพนมมือไหว้เคขาบางคนก็หาว่าเนี่ยโจเนี่ยนะมันโง่นะให้เขาให้เขาดุให้เขาด่ า, ดาแต่โจเขาก็ไม่ได้หวันไว้อะไรเพราะเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาทำด้วยความจริงใจ จรทั้งวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยแม่บ้านก็สงสัยนะทำไมโจรทำอย่างนี้ก็เลยถามเหตุผลต้องบอกว่าเนี่ยที่ขอบคุณแม่บ้านเนี่ยเป็นการขอบคุณที่แม่บ้านมาเตือนนะขอบคุณที่แม่บ้านเตือนเขาแล้วก็ช่วยเขาในหันมาจัดการความโกรธของตัว เตือนอะไรนะเตือนให้กลับมาดูตัวเองนะกลับมาดูใจของตัวแล้วเตือนให้มาพิจารณาว่าเนี่ยเราได้ทําผิดหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ควรจะโกรธส่วนแม่บ้านถ้าเขาจะพูดอะไรไปไม่ถูกต้องกับเป็นเรื่องของเขาพราะว่านับแต่นั้นมานี่แม่บ้านนี่ก็เลิ่มดุดา่าโจลเลยนะ การที่โจรเนี่ยทำเหมือนกนได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย เ, เขาก็เห็นนะว่าการเตือนตนเนี่ยเป็นของดีและคำดูดาว่ากาของแม่บ้านเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เขานี่กลับมาดูตัวเองมันก็เป็นโอกาสเขาได้ฝึกฝนหรือขัดเกลาวตัวเองรวมทั้งจัดการกับความโกรธของตัวเองด้วยก็เรียกว่ารู้จักมองนะหาประโยชน์นะจากคา ดุดาของแม่บ้านอันนี้เป็นวิสัยของนักปฏิบัติธรรมนะยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมยิ่งต้องมีตรงนี้นะสมัยที่หลวงปู่ค้าวมีชวิตอยู่เนี่ยก็มีแม่ชีท่านหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาอุปถาคพระเนรดีมากแล้วก็ปฏิบัติได้ดีด้วยวันหนึ่งหลวงปู่ข้าวก็เรียกรูกศิษย์ที่เป็นพระมา2รูปนะ บอกว่าให้ไปดาไางงนะ่าไม่ชีสาทั้งสองท่านก็งงนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ไปไปที่กุฏิไม่ชี้สาแล้วก็เรียกไม่ชี้สามาพอไม่ชีสามาทั้งสองท่านก็ลุมด่าเลยผัดกันด่าไม่ชี้สาที่แร้ก็งงนะแต่ว่าตั้งสติดได้ก็ปนมือฟังอย่างสงบพอทั้งสองท่งานด่าจนไม่รู้จะดา่ายังไงแล้วไม่ชี้สาก็เลย แตนที่จะโกรธนะแนที่จะน้อยใจนะที่ครูบาอาจารย์เนาว่าเราสาทําดีทำไมท่านไม่เห็นแม่จีสาม่มีความคิดแบบนี้เลยกลับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยอาจารย์ดูด่าดีฉันได้เสร็จแล้วเหรอดีฉันฟังแล้วทราบซึ่งเหลือเกินเสียงดา่าคำดูด่านี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยแล้วท่านพูดว่าเนี่ยเขาหน้าให้มาดูว่าดูด่าว่าดิฉันอีกนะ มันจะได้หมดกิเลสสักทีนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของคนที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนแล้วก็มีสติไม่เพียงแต่ยับยั้งใจไม่ให้โกรธแต่ว่ารู้จักหาประโยชน์นะจากคำดุดา่านะบางครั้งจะไม่มีเห็นไม่มีผลเลยมันไม่ใช่คำว่ากล่าวตักเตือนนเป็นคำดุดา่าหรือว่าต่อว่าด่าทอ แตง เ, เห็นประโยชน์ของมันนะคือเป็นสิ่งที่ช่วยเก่ากิเลสทําให้กิเลสเจือจางเบาบางได้อันนี้เป็นเป็นวิสัยของนักปฏิบัติทำเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะการที่คนเราเนี่ยจะน้อมรับคำ ว, วิจารณ์หรือคำ ว, ว่าก่าวตักเตือนได้มันต้องมีคุณธรรมหลายอย่างหรือมีหลักคิดหลายประการซึ่งในแง่หนึ่งก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ชี้ว่าถึงความก้าวหนองการปฏิบัติ แต่มอยในแง่นึงถ้ามีตรงนี้นะหรือถ้าหาว่าสามารถนอนรับคําว่ากล่าวตักเตือนได้ด้วยใจที่ปกติแล้วก็รู้จักเอาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองเนี่ยไอการที่คนเราจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็มีนะจะว่าไปแล้วก็เป็นตัวชี้พัดเลยนะว่าคนเราจะก้าวหน้าในทางธรรมได้หรือไม่ก็ดูตรงนี้แหละดูตรงที่ว่าเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนแล้วเนี่ย ทำอย่างไรถ้าโกรธโมโหนะในการที่จะก้าวหน้าไปยิ่งกว่านั้นมันก็ยากเพราะว่านะคนเราเนี่ยมันไม่เพียงแต่ต้องเจอคาว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่ายังเจออะไรต่อนแลมากมายในวันข้างหน้านะเช่นการสูญเสียพัดพรากจากคนรักของรักการปร ะ, ะสบกับสิ่งที่ไม่รักนะ ความแก่ความเจ็บป่วยสารพัดความทุกข์ต่างๆมากมายถ้าแค่นี้ยังไม่ผ่านนะในการที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเนี่ยจงรทั่งอย่าว่าแต่ละสังโยชน์ขั้นต่ำเลยนะนคือความสำคัญมั่นหมายนะว่าเราว่าของเราเนะี่ยหรือว่าส ก, กัยทิฏฐิวิจิกรช้าหรือปตาปรมาก แมทั้งการที่จะดัแรักษาชีวิตให้เป็นปกติหรือจิตใจเป็นปกติท่ามกลางความผ่นผว น, นปลวนแปรมันก็ยากแต่ถ้าว่าสามารถผ่านตรงนี้ได้หมายความว่าเออฟังแล้วเรารักษาใจปกติไม่โกรธแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่แก้ไขที่พฤติกรรมก็แก้ไขที่ใจคือว่ารักษาใจไม่ให้โกรธ ไ, ไม่ให้โมโหให้การที่ก้าวหน้าทางธรรมนะ สามารถที่จะเจริญในอะลิ ม, มัคมีองค์แมันก็มีหรือผู้ย่างคือว่าโอกาสที่จะห่างไกลจากความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยกว่าก่าตักเตือนก็ยังโกรธยังโมโหก็ไม่ต้องพูดถึงคำก้าวหน้าในทางธรรมที่มากไปก่อนนี้อันนี้ก็มันก็เป็นเครื่องที่ชี้วัดนะ ออการปฏิบัติของเราได้โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนและถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงการปารนนานี่มันไม่ควรจะเป็นการยอมให้ว่ากล่าวโดยพระไม่ว่าในสำนักนี้หรือว่าในที่อื่นๆเท่านั้นนะสาหรับผู้ที่เป็นพระเนี่ยถ้าว่าเป็นผู้ที่ ปรารถนาความเจริญงอกงามในชีวิตพรหมจรรย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ครูบาอาจารย์เท่านั้นที่ยอมให้ว่ากล่าวได้ไม่ใช่แค่พระด้วยการที่ยอมไม่ว่ากล่าวได้แล้วก็ทั้งคารวะญาติโยมก็ยอมให้ว่ากล่าวได้จะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ยอมให้ว่ากล่าวได้จะถูกรู้ผิดก็แล้วแต่ถูกก็ไปปรับปรุงแก้ไขผิดก็นําไปใช้ขัดกล่าวทิฏฐิมานะอย่างที่ แม่ชีสาได้พูดเอาไว้หรืออย่างที่โจนจันไดนี่เขาบอกนี่เป็นแบบอย่างนนะที่ดีนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมในการรับมือนะกับคำตูดาว่ากล่าวซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยในชีวิตเมื่อเทียวกับความทุกข์อีกมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าออกภรษาไปแล้วเนี่ยถามว่าเราจะ ปฏิบัติทำอะไรนะที่มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเนี่ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งเลยนะยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนได้นะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังด้วยใจที่ไม่ทุกข์แล้วก็หากว่าเขาพูดถูกก็นำไปปรับปรุงแก้ไขถ้าเขาพูดไม่ถูกนะก็ถือว่ามาช่วยขัดเกลาทิฏมานะนะนะหรือขัดเกลากิเลสนะอย่างที่แม่ชีสาท่านได้พูดกับ ครูบาอาจารย์สองท่านอ้าวยนี่พุทธ น, นี่นะเอากราบครับ